ความโกรธภายในใจฝักลันออกมามันเลยไม่มีคุณค่าสาระอะไรให้คนที่มีโกรธไปเห็นคงสังโลดเออสังเวชโกรธใจมันแผดมันเผาเขาขนาดนั้นเขาก็ยังไม่เห็นทุกเห็นโทษเขายังยอมโกรธยังยอมยินดีในสัมล่าสสะสางท่านคิดไปอย่างนั้นท่านจึงสลดใจถ้าเขาเห็น โทษทุกเหล่านั้นเขาก็แก้ไขแต่โกรดนี้มันเป็นเหรื่องทุกเรื่องโทษไม่ใช่เรื่องของดีวิเศษอะไรโกรธไปแล้วได้ผลอะไรมาให้แก่ตัวและคนอื่นเมื่อมันไม่เกิดผลเกิดประโยชน์จะไปโกรธทําไมมันก็สอนใจทั้งตัวได้นี่คือเรื่องสอนใจสำลายใจ ด้ความหลงในสิ่งต่างๆไม่รู้ไม่้อใจตามเป็นจริงมันแสกสิงอยู่ทั้งโลภทั้งโกรธถ้าหากมันไม่มีหลงมันก็เป็นไปไม่ได้ความโลภมันจะโกรธขึ้นความโกรธมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไ่ได้เพราะความหลงของใจแต่เรากว็วไหม ว่ามันหลงมาจากอะไรหลงมาจากขาดสติหลงมาจากไม่มีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขใจมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้ามันมีปัญญาแก้ไขพอเกิดขึ้นมันก็ชลระไฟตกไปเพราะมันไม่ยอมรับมันถือว่าเป็นพิษเป็นภัยเป็นของฝุกงป ก, ปกจะเอามาประดับทำไมของเหนา่าของเหม็น ของเป็นพิษเป็นภัยมันขับไล่ออกไปได้ปัญญาจะเกิดกวักเพราะอาศัยพิณิพเจนาะอาศัยสมาธิของจิตไม่หวั่นไหวเอียงไปตามเรื่องความชอบของใจบังคับขับไล่สิ่งที่ชั่วชีวเสียให้สงบให้ตกออกไป ใจมีสมาธิถึงปัญญาก็เป็นเรื่องสัญญาไปถใจมีสมาธิปัญญาเป็นปัญญาจริงจังสามารถฝ่าฟันบั่นทอนเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆให้โตออกไปได้จึงเรียกว่าปัญญาในเชื่อว่าพูดได้คิดได้ทำเป็น ในจริงนั้นแต่ถ่าเมืม่อมากระทบกับใจไม่สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสัญญาจำมาจากาำรับตาราจำมาจากลมปากของคนอื่นถ้าเป็นปัญญาจริงจังแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่มีวันหวั่นไหวในนมีวันที่จะเสียไป เพราะความชั่วต่างๆมาเกี่ยวข้องเราทราบเราเห็นเราเป็นอยู่ในตัวของเราความชั่วเราเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งมีชั่วสิ่งนี้สกปรกไม่มจะต้องปัดเป่าออกไปถึงทาอากาศจิเรยาทายนอกแต่มันกลับเข้าถึงใจพอใจนั้นถ้ามีปัญญา สำลัขาดแล้วมันเน่เป็นไป ต, ตามอาการข้างนอกแต่ก็มีขอบเขตในเฝั่งฝังฝาผู้ที่มีธรรมะมีปัญญาในใจไม่ใช่ว่ะตลิดเปิดเปลืงไฟทาอะไรก็ใจเราบริสุทธิ์อยู่รักษาใจใจถ่ายเดียวไม่เป็นอย่างนั้นมันมีฝั่งมีฝามีความเหมาะความสมแต่เวลาใชา้อากับจิิยาให้ สมกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องท่านก็ใช้ไปในอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ให้พอสมมติเรื่องสมมติมันจริงจะให้ถูกกับจริตนิสัยของคนทั่วไปในไดน้พอสมมตินั้นบางท่านบางคนชอบอย่างนั้น บางท่านบางคนชอบอย่างนี้คนที่ชอบต่ำที่มีปัญญาอ่อนเหมือนไปแหนสอนโยมถึงโยงดีมันก็ฟังไม่ออกคนที่นี้นิสัยหยาบนิสยัยเฉ่วยเสียเราชวนทำดีมันก็ไม่ชอบมันจึงมีการตำหนิอยู่เรื่อยไปถ้าทำ ไปตามเรื่องของเขาเราก็ล่าเป็นคนชั่วคนเสียผูู้้ผู้ดีเขากวตามนิอีกมันจึงไม่มีทางหลีกเรื่อง น, น, นินทาสรรเสริญในโลกอันนี้มันเป็นมาจากไหนจากอะไรขอสาคัญให้ดูใจของตัวไหวใจของตัวนั้นมันเป็นไปตามที่เราทำเราพูดหรือไม่หรือใจของเรา บริสุดอยู่ให้ดูเสี้ยก่อนอย่าทำไปดูความโลภความหลงทำไปดูความรู้ผู้ที่มีสติมีปัญญาเนี่ยสอนใจของตัวมันจริงไม่มีทุกมีโทษเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เป็นทุกเป็นโทษเราสำลัก เราไม่ดีก่อกลัวเอาสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเราปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์อย่างไรมันจะบริสุทธิ์ได้ฝึกกายฝึกใจของตัวอยาไปอ่านการอ่างเวลาว่าวันนั้นเดือนนี้เชื่อก่อนพยายามฝึกพยายามปฏิบัติที่จะเห็นจะเป็น จะรู้ก็เพราะเรามีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นไม่ใช่ตายไปแล้วจึงจะได้รับผลตัวดาสกิธาคาอนาคาราหันหรือสวรรค์นิพพานไม่ใช่ตายไปแล้วจึงจะเห็นมันต้องเห็นในปัจจุบันที่เราขอพืป่ปฏิบัติกันถ้าหากไม่เห็นไม่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วอย่าไปปรารถนาไม่มี โอกาสเวลาที่จะพบใจเห็นเพราะมันไม่เป็นอยู่ในตัวของตัวถ้ามันเป็นอยู่ในตัวของตัวแล้วไมตศาถนามันก็เห็นก็เป็นอยู่นี่คือการปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนชั่วที่เรียกว่าสัพปาปะสากระนังมันก็มีอยู่ในกายวาจาใจของเราเราจะสาราญแจไขอย่างไร ถ้าเห็นชั่วโดยใจแล้วเชื่อว่าทุกคนจะไม่ทำไม่พูดไม่คิดเพราะชั่วเป็นพิษเป็นภัยชั่วเป็นทุกข์เป็นโทษควรเกิดมาในปราถนาอยากได้สิ่งที่ชั่วที่เสียอย่างนั้นแต่เขาเองไม่มีปัญญาไม่ไพิจารนณะาตามเป็นจริง อยู่นใจิตในใจของเขาเขาจึงกล้าทํา ผ, ผุดคิดในสิ่งที่ผิดที่ชั่วขาดสติขาดปัญญาขาดการรักษาถ้าหากเขมีสติมีปัญญาแล้วเขาจะแก้ไขเพราะเขา ท, ทําส่เราเขาพูดกับเราเราก็ไม่ตักถนาสมัยเราจรึงจะไปทําไปพูดในสิ่งที่ชั่วอย่างนั้นมันก็มี โอกาสเวลาที่จะทสำละกไม่กาทำกลาพูดสิ่งที่ชั่วทีเสียเมื่อเราไม่ทำชั่วสำลัชั่วออกจากกายวาายใจของตัวก็ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ที่มาตรัสรู้ในโลกถึงท่านจะใน สอนโดยพระโอษฐ์ขอพระ อ, องค์กว่าตามแต่ท่านกน็สอนอย่างนั้นธรรมะมันยังเหลืออยู่พราะพูทใต้จ้าปรินิผพานไปท่านในฤาถอนั่วดีอย่างไรออกไปด้วยยังมีอยู่ในโลกคำสอนยังมีอยู่ก็เลยชื่อศาสดายังมีอยู่ ูที่ยังประพฤติปฏิบัติอยู่ก็จะมีทางที่จะบริสุทธิ์ได้ถ้าหากอะไรต่งางมาต่งางใาปฏิบัติอะไรคอยวันคอยคืนให้กายมาใ จ, ใจใจบริสุทธิ์มันก็เหมือนกันกับคนทำงานแต่นั่งดูอยู่อย่างนั้นไม่ลง ม, มือทำอะไรกันอยากจะเหงา น, นั้นมันิมเดือดร่วงไปเจะนั่งอยู่ กี่วันกี่เดือนกี่ปีงานนั้นมันก็คนนี้อะไรเกิดขึ้นเพราะไม่ลงมือทําถ้าเราทําแล้วถึงไม่ปราถนาอยากจะเห็นงานนั้นมันสำเร็จรุล่วงไปแต่มันก็สำเร็จได้เพราะการกระทําของตัวมีการสําระชั่วออกจากใจก็ทํานองเดียวกันมันวิที่เจ้านาแก้ไขําระมันไปด้วยสติดต้วยปัญญาของตัว เมือ่อเราสละดาดไม่มีอะไรสี่ชั่วขี้เสียในกายวาใจาใจของตัวใจของตัวมันก็บริสุทธิ์มันกว่าสะอาดมันกว่าสบายไม่คิดว่าเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ได้ตาหนิตัวว่าชั่วว่าเสียอย่างนั้นอย่างนี้มันสุขมันสบายจะไปสถานที่ใดก็ไม่รัวใครอันตรายไม่ถือว่าเขาจะ กาวหาจับคุ้มคุ้มตัวอะไรพอเราไม่ได้ทาชั่วทำเสียพอี่จะเป็นทุกข์เป็นโทษให้เขาดูหมิ่นนินทาไม่จับคุ้มคุ้มตัวสิ่งที่ดียามมม่นเพตามโอวาทขีพุทธเจ้าทรงสอนนี่พวกเราทุกคนที่มาฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติกายของเราไม่ได้ไปทา ชฉีวทําเสียอะไรวาจาของเราก็ไม่ได้ไปพูดชั่วพูดเสียอะไรพอที่เจ็ดตัณห์ตัวของตัวนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาพิ่เจริญนะสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันไม่ไดวไปทําไปพูดไปคิดสิ่งที่ชั่วที่วเสียเมื่อมัน เกิดขึ้นผ่านมาเราก็รแกําจัดตัดต่อมันออกไปนี่คือทางปฏิบัติกายวาจาใจเผื่อความบริสุทธิ์เหนือเราชำระสาสางความชั่วออกไปรักษาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในบุญในกุศลจิตของเราก็เยือกเย็นจิตของเรากตั้งมั่น ปัญญา้ำละสาสางสิ Ein, ่งต่างๆนานาที่ผ่านมาเกิดขึ้นเสื่อมที่เจอนาสิ่งที่ชั่วเสียสอนใจให้หลีให้เว้นสิ่งที่ดีสอนใจให้บำเพ็ญทาตามเมื่อชั่วเราเบิดสำละออกไปดีแล้เบิ กะทำบำเพ็ญ ม, มาจิตของเราก็ผ่องใสจิตของเราสะอาดเพราะไม่ได้ตันหนิด <c oughs> ตัวคงตัวผูกรู้งถั่วไปที่เจริญแล้วสรรเสริญตัวของเราเองก็เยือกเย็นไม่เห็นทุกข์เห็นโทษจิตไปทาไปพูดไปคิดในสิ่งที่ชัว่วจี๋เสียใจมันผ่องใสใจมันถูก ใจมันสบายนี่คือทางสัญญาทางสำลายใจคำสอนเหล่านี้พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ทร ง, งสอนบริษัรพระพุทธเจ้าบริิพพามใจครูอาจารย์ที่ท่านพระพุพะพะทธปฏิบัติแนนสอนกันมาแต่เท่าว่าเราคูรได้ยินได้ฟังแล้ว จะนำไปสอนกายว า, ายใจใจของตัวอย่างไรนะั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าจเ น, นี่ยหมือนเน่ครัวทำอาหารขึ้นหลายชนิดแล้วแต่ใครชอบทานอะไรอยากทานอะไรมีในโรงครัวอาหารทุกประเภทแต่คนไปแล้วไปยืนมองมองดู สูดแไปกิ่นเท่านั้นมันจะอิ่มได้หรือทำไมลงมือรักทานมันไม่มีวันอิ่มเนี่ยคัวจะทําให้มากขนาดไหนมันก็อนจะเป็นสาระประโยชน์ให้ร่างกายคนที่นี่ทานอาหารก็นี้จะวันจะหายพร้อมจะล้มตายไปเท่านั้นธรรมะคําสอนของผู้ธจเจ้าเหมือนกันถึงจะมีมากมาหลายหลวงขนาดไหนมีน สำหรับตำลามีครูบาอาจารย์แนะนให้แต่เราไม่นำไปเพื่อปฏิบัติมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ฉะนั้นทุกคนจึงควรสนใจชำระสาสารตัวของตัวลีกเลี่ยงชั่วละชั่วก็บทำบำเพ็ญสิ่งที่ดีชำระจิตของตนให้ผ่องใสปราศจาก คามโลกกดหลงออกไปสงบลังนับเรื่องอารมณ์สัญญาชี้เลียนตัญหาต่างๆนี่คือโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสรุปแล้วมีเพียงแค่นี้มีเพียงสามข้อถ้าหากจะพูดบรรยายไปให้กว่างขวางมันก็กว่างขวางออกไป ผูดให้สั่นมันก็มีเท่านี้สำหรับกายวาจาใจของตัวเท่านั้นทำจริงมันมีนิดหน่อยเท่านั้นแต่โอกของอาการของมันมันมากใจจริงก็มีอันเดียวเท่านั้นเอตังจิตตังทำจริงก็มีอันเดียวเอตังทำมันคือมีอันเดียวไม่มีสองแต่อารมณ์ ของใจมันนีมากอาการของจิตมันนีมากเรื่องของธรรมที่บรรยายออกไปมันก็มีมากมันเหมือนต้นไม้ต้นเดียวเท่านั้นแต่จะไปพลายนา <c oughs> จิ่งใบของมันมันนับไม่ถ้วนมันมากแต่ก็เกิดจากต้นไม้ต้นนั้นมีจิตของพวกเราท่นานก็ทชาวอาเดียวกันมีอันเดียว อาพิจารณาให้มันเป็นอันเยอะได้มันก่็หายสงสัยแตพิจารณาไม่ได้มันก็ยังสงสัยอยู่ไปนี่การสำลักษาสางใจการพิจารณาธรรมอย่าไปพิจารณาที่อื่นพิจารณาสั่งสติอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรม นี่คือมหาสติปัฏฐานเป็นฐานที่ตัง้งของจิตผูจีนี่พิจรนาอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่นานถึงเจ็ดปีหรืออย่างช้าที่สุด ก, ก็เจ็ดปีเท่านั้นจะมีะสติเป็นสองที่พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้หนึ่งจะเป็นพระอาหารหันต์สองจะเป็นพระอนาค า, าส่วนสจิท่าคาโซดาท่าไม่ไดพูดถึง อยูทุชนลุมหลงอยู่เหลื่อยใท่าน็เลยพูดถึงถ้าตั้งอยู่ในนี้ที่เราก็เคยตั้งเคยพี่นี่พี่เจานะแต่เท่ามันแปบตาเดียวถึงอากาศจิริยานั่งอยู่เดินอยู่กอดตามแต่อารมณ์สัญญาอใหม่มันมาเกาะมาอาศัยมันมาดึงออกไปทําอยู่เป็นหลายหายปีแต่จะมาเสีย เวลาจีตพิจารณาธรรมาจริงจังนั้นมันมีน้อยถ้าหากมันพิจารณาติดต่อหนาเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพระพุทธเจ้ารับรองคำผูดของพระพุทธเจ้ามันมีสองเป็นจริงอย่างไรจรึงอยู่อย่างนั้นไหนว่าสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระสนุอยู่หรือสมัยพวกเรากับธรรมนองเดียวกัน ถาพิจนาอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่จะมีคติเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุใดล่ะพอาะกายที่เรามีอยู่นี้สมก็ว่ากายคือกายไปไม่ค่อยสนมใจไปสนมใจเรื่องอื่นถ้าสนมใจเรื่องของกายพิจนาอยู่ในนี้ โดยคติของธรรมที่บอกว่ากายก็สัตว่ากายในสิ่งัตวบุคคลตัวตนเราเขาสัตว์เทว่ากายเท่านั้นจิตของเราให้พิจารณาอย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นเหนือหนังเอ็นกระดูกผมขนแล้วฟันอะไรพิจารณามันไปมันว่ามันเป็นอะไรกันแน่พิจารณาให้เข้าถึง ให้เห็นชิงลบสมมติเอาหมดมันจะเห็นมี ม, มุมดมีสมมติมันบังมีมุติเอาไว้ใจลหลงไหลใจใส่สันใจจิดคล้องเพราะเราไม่พิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้สาสอนเวทนาก็ทธรนองเดียวกันมันพิจารณาได้จิตคิดคุงต่างๆนานาอั น, น้นก็พอพิจารณาได้ พอเราเป็นเจ้าของตัวมันคิดอะไรมันปรุงอะไรมันเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายดีอย่างไรทุกอย่างมันเกิดมาหล่เป็นไปตามหน้าที่ของมันอย่าไปจิบไปคล้องอย่าไปยึดไปถือดีเกิดขึ้นยึดเอาไว้ชั่วเกิดขึ้นขับไล่ออกไปเมื่อมันเหนื่ยเป็นไปตามใจไม่ก็เลยเกิดทุกข์ เพราะไมเห็นตามเป็นจริงของมันว่าอันนี้ถ้าแต่ว่าเป็นอาการในเรื่ของจริงอะไรอะจริงผู้ไปรู้เป็นของจริงเห็นไหมล่ะผู้ไปรู้มันไม่รู้มันไม่เห็นนลยมันจึงงมเรุ่ยไปถ้ามันเห็นแล้วอันนั้นมันเป็นอันหนึ่งอันนี้มันเป็นอันหนึ่งเราจะไปท่องสายที่ไหน พอมันยังไม่เห็นเรื่องของใจของตัวเองมันจริงงมงลุ่ยใจหลงลุ่ยไจแต่การกําหนดพิจเเนะสารนอกออกไปขับไล่จริงที่เป็นสมมติออกไปด้วยสติด้วยปัญญาจริงจังก็เหมือนไม้เออถักด้วยมันออกกับพี่มันออกจาก่นมันอยู่ที่ไหนมันจะเห็นไม่ถกักไม่ ทำเสียเลยจ้ะไปได้แก่นมนันไหนก่อนหายากมันเจนไปในดะนีการทำลายใจก่อนหมั่นพินิจพิจารณาแก้ไขตั้งสติกำหนดรักษาภาวนาอยู่เรื่อยไปมันสงบหรือไม่สงบนั้นไม่ต้องปรารถนาขอให้ดูภายในอยู่เรื่อยไปทำอยู่เรื่อยไปเหมือนกันกันกบครทานอาหาร ความอิ่มในต า, นาถนาหากทานลงไปอยู่บ่อยๆความอิ่มมันจะเกิดขึ้นมาเอง <c oughs> ทำการงานก็เหมือนกันไม่ต้องปรารถนาเดินทางก็เหมือนกันแต่เราเดินด้วยไปไม่ถอยหลังมันก็มีวันเวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นขอให้พากันพินิจเกนะชำระสิ่งที่ชั่วบำเพ็สิ่งที่ดีทาจิตคงตน ให้องแค่วหลุดพ้นนี่เป็นเรื่องโอ้อวดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรามีโอกาสเวลาที่จะํำระสะสารกายวาจาใจของตัว okay. ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาให้ยามดูภายในํำระขับไล่ อย่างที่ชั่วทีเสียกต่ทำมั่งเทียนจริงๆเป็นสละประโยชน์เกิดมาไม่มีใครที่จะอยู่ขำฟ้าการเวลาจริงๆชีวิตของเราไปเท่าไรแล้วเราอีกกี่บ้านกีเดือนเราจะตายแล้วก็ไม่ทราบจึงไม่ควรประมาทหรือเส่งควนขวาย แต่ทำบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีให้เห็นให้เป็นในจิตในใจมันจะไปเหนืออะไรอย่าให้มันไปร้อนใจอย่าให้เป็นทุกข์ใจเพราะสิ่งที่เราปรารถนาเราได้เราเห็นเราเป็นอยู่ในตัวของเราแล้วพร้อมเสมอที่จะไปอยู่ก็พร้อมเสมอที่จะดูแลรักษาที่จะปฏิบัติ ตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อทุกคนหมั่นสละตัวคล้องตัวจากชั่วตรอพื่อปฏิบัติตัวค้วองตัวในทางดีอยู่สม่เสมอแล้วคนนั้นแหละจะมีโอกาสเวลาถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่นั้นขอทุกท่านจงนําไปพินิพิจนา <c oughs> ต่างาต่างๆก่อเพื่ปฏิบัติ <usion. S 1> ความฝูกความเจริญก็จะเกิดขึ้นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรถึงเวลาเพระยุติเพียงแค่นี้